รับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบคนเราบางคนพอรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตีโพยตีพายก่นแต่เศร้าโศกเสียใจหรือไม่เช่นั้นจเจริญไปด้วยโทสะเห็นใครหรืออะไรขวางหูขวางตาไปหมดการทําอย่างนั้นไม่ได้ทําให้ความทุกข์ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อย มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นด้วยเหตุนี้แหละคนฉลาดจึงทำใจให้ยินดีต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบเมื่อมีความสงบอยู่กับใจแล้วเหตุการณ์ร้ายหรือที่เราคิดว่าร้ายนั้นก็จะดีขึ้นและเหตุการณ์ที่เราเข้าใจว่าร้ายในเวลานี้อาจกลับกลายเป็นผลดีในภายหน้าก็ได้ มีคนหนึ่งเช่าที่วัดอยู่ต่อมาวัดต้องการที่ตรงนั้นสร้างสิ่งที่จำเป็นแก่วัดขอร้องให้เขารื้อถอนพร้อมด้วยให้ค่ารื้อถอนเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเกิดโทมนัสผัดใจเป็นอันมากต่อมาเขาตัดใจได้รวบรวมทรัพย์สินสมบัติเท่าที่มีอยู่กู้หนี้ยืมสินเข้าบ้างกัดฟันทน ไปซื้อที่ปลูกบ้านได้แห่งหนึง่งอีกไม่กี่ปีต่อมาเรื่องหนี้สินได้หมดมีบ้านเป็นของตนเองพร้อมที่ดินอยู่สบายจึงนึกได้ว่าเป็นได้อย่างนี้ก็เพราะวัดเขาให้ออกจากที่ดินของวัดถ้าวัดไม่ทำอย่างนั้นก็คงต้องเช่าที่ดินวัดอยู่จนตายและยังจะสืบต่อไปถึงลูกหลานอีกด้วยเพราะฉะนั้น อะไรมันจะเกิดขึ้นชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นขอให้เรายินดีต้อนรับด้วยใจสงบพร้อมด้วยทำใจให้ได้ว่าเหตุร้ายหรือที่เราคิดว่าร้ายในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ดีเป็นอันมากในวันหน้าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่หรือครูอาจารย์ที่เข้มงวดกวดผันอาจจะไม่ชอบและอึดอัดใจ ได้รับความลำบากสักหน่อยในระยะต้นของชีวิตแต่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนึกได้และต้องขอบคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เว้นวายว่าที่เราเป็นมาได้ขนาดนี้ก็เพราะท่านเข้มงวดปวดอันมาส่วนเด็กที่ถูกตามใจมาในวัยต้นอยู่สบายแต่พอพบความลำบากในวัยปลายก็ได้เห็นเองว่า ได้ดำเนินชีวิตในวัยต้นผิดเสียแล้วอีกอย่างหนึ่งในทางศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสิ่งที่เราหลีกไม่พ้นที่สำคัญมีอยู่สามอย่างคือความแก่ความเจ็บและความตายส่งสอนให้พิจารณาเนืองๆ เ, เรียกเป็นหัวข้อธรรมว่าอภาินหปัจจเวกซึ่งมีห้าข้อ คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากและกรรม 5. าอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วเรียกคืนมาไม่ได้ ถึงจะร่ำร้องร่ำครวนโทมนัสอย่างไรอดีตก็งคงเป็นอดีตอะไรที่ทำแล้วในอดีตย่อมทำคืนไม่ได้ดังคำที่ว่ากะตัดสนันติปฏิการังสิ่งที่ทำไปแล้วทำคืนไม่ได้คือที่ทำแล้วก็เป็นอันทำแล้วตัวอย่างเช่นคำใดที่เราพูดไปแล้วเมื่อครู่นี้ก็เป็นอันพูดไปแล้ว จะบอกว่าที่พูดไปแล้วนั้นไม่ได้พูดดังนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างไรก็พูดไปแล้วอย่างที่มีเล่ากันขำๆว่าเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งฝังทรัพ์เอาไว้กลัวคนอื่นจะรู้จึงเขียนบอกไว้ว่าที่ตรงนี้เขาไม่ได้ฝังอะไรไว้เลยเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเห็นเข้ารู้ว่าเพื่อนฝังทรัพ์ไว้ เกรงว่าเพื่อนจะเข้าใจว่าตนเอาทรัพย์ของเขาไปจึงเขียนป้ายบอกไว้ว่าสองสาวันมานี้เขาไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยเจ้าของทรัพย์มาเห็นเข้าแน่ใจว่าเพื่อนเอาทรัพย์ของตัวไปจึงโวยวายขอทรัพย์สินเพื่อนคนนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยเขาเขียนบอกไว้แล้วว่าสองสมวันมานี้เขาไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยเจ้าของทรัพย์โต้ว่า เมื่อไม่ได้ผ่านมาใครเป็นคนเขียนไว้ว่าไม่ได้ผ่านมาเพื่อนต้องเอาซับของเขาไปแน่ๆจึงเขียนอัมพรางเอาไว้เถียงกันหน้าดําหน้าแดงจนกระทั่งบัณฑิตคนหนึ่งผ่านมาเมื่อรู้เรื่องแล้วก็ขอให้ลองขุดดูก่อนว่ามีซั์อยู่หรือไม่พอขุดดูก็ปรากฏว่ามีซั์อยู่พร้อมบริบูรณ์ความจริง สิ่งที่เรียกว่าทำคืนนั้นก็คือการแก้ไขนั่นเองเช่นเมื่อทำผิดไปแล้วแก้ไขเีย่หม่คือแก้ไขให้ถูกได้พูดผิดไปแล้วพูดเชื่อม่ให้ถูกได้คนที่เคยเป็นแผลแล้วทำอย่างไรจึงไม่ให้เป็นแผลมันต้องเป็นแผลอยู่นั่นเองแต่ร่องรอยแห่งแผละจะปรากฏหรือไม่ ก็สุดแล้วแต่วิธีรักษาหรือสัญญาแพทย์จะทำอย่างไรร่องรอยทางจิตใจก็เหมือนกันอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกสุขทุกอันใดมันผ่านเข้ามาในจิตใจก็ล่วงไปหมดแล้วเมื่อย้อนระลึกถึงก็อาจเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ขึ้นอีกแต่เหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปแล้วเหมือนเรายืนอยู่ริมน้า ได้เห็นกระแสน้ำไหลเอื่อยลงไปสิ่งที่เห็นนั้นอยู่ในความทรงจำเราลึกขึ้นทีไรก็เห็นเป็นภาพขึ้นในมโนทวารในวิชันแต่ตัวกระแสน้ำที่เราเคยเห็นนั้นได้ไหลไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความผิดอะไรได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้มันล่วงเลยไป อย่าเก็บเรื่องที่ล่วงไปแล้วมาทรมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมองอย่าขังหรือจองจำตัวเองไว้กับอดีตอันทรมานเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาดเลยอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเรา ขอให้เริ่มทําใหม่สร้างใหม่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมจะดีเองปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันด้วยปัจจุบันนั่นเองบางคนจมอยู่กับอดีตอันเศร้าหมองจนสูญเสียปัจจุบันและความล้มเหลวในอนาคตก็ตามมาเพราะฉะนั้นจงอย่ายอมเป็นทาสของอดีต การทำวิปัสสนาในทางพุทธศาสนาที่ว่าเป็นเรื่องแก้ทุกข์ได้จริงก็เพราะวิปัสสนาปิดกั้นอดีตอนาคตทั้งหมดอยู่แต่เฉพาะในปัจจุบันให้ปัจจุบันไม่มีทุกข์ทางใจหก วิเคราะห์ทุกในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งนั้นความทุกข์จริงๆดูเหมือนว่าจะไม่มากเท่าความทุกข์อันเกิดจากอุปาทานความทุกข์จริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าสภาวะทุกข์เช่นแก่เจ็บตายอันนี้พระอรหันต์ก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันเราหลีกไม่พ้นแน่ แต่ถ้าไม่มีอุปท า, านเพิ่มลงไปความทุกนั้นก็จะเป็นความทุกตามสภาวะล้วนวนแต่พออุปท า, านเพิ่มลงไปด้วยความทุก์ก็จะเพิ่มกำลังมากขึ้นเช่นความแก่ถ้าปล่อยให้แก่ไปตามธรรมดาของสังขารก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พออุปท า, านเข้าไปเพิ่มคืองกลัวแก่แล้วจะไม่สวยเหมือนสาวสาว ความทุกข์เกิดมากขึ้นทันทีนอกจากนี้ยังมีความทุกข์อันเกิดจากอุปาทานล้นล้วนอีกเช่นยึดถือว่าเขาด่าเราเขานินทาเราเขาเคยยกย่องสรรเสริญเราเวลานี้ทำไมเขาจึงเมินเฉยไปแล้วก็เกิดทุกข์ใจขึ้นความทุกข์อย่างนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์พอคิดเข้าก็ทุกข์ ยิ่งคิดมากก็ทุกมากพอเลิกคิดความทุกก็ดับไปอย่างนี้เรียกว่าทุกเพราะอุปาทานเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วว่าอันใดเป็นทุกเพราะอุปาทานพอละอุปาทานหรือถอนอุปาทานเสียได้ความทุกข์ก็จะดับไปทันที 7. ค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วกำจัดเสียข้อนี้เข้าหลักทุกขอริยสัจและสมุทยาอริยสัจคือเมื่อมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทรงสอนให้รองสาวไปหาเหตุดูเมื่อพบต้นเหตุแล้วต้องทําลายที่ต้นเหตุตัวอย่างความทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังในความรักคนที่ผิดหวังในความรัก มักโทษฝ่ายตรงข้ามว่าหลอกลวงไม่จริงใจมีโทมนัดขัดเคืองจนถึงกับจะทำลายชีวิตเขาหรือทำเขาโดยประการใดประการหนึ่งเพื่อระบายความแค้นของตนเมื่อทำลายได้สมใจแล้วความทุกข์ก็หาได้ดับไปไม่มีแต่จะทวีความรุนแรงเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะเป็นการเพิ่มเชื้อให้ความทุกข์ แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนคนกินของแสลงแก้โรคแม้จะสมใจอยากก็จริงแต่โรคหาระงับลงได้ไม่มีแต่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอันที่จริงสาเหตุแห่งทุกขอันนี้คือความรักถ้าผ่อนคลายถ่ายถอนความรักออกเสียได้ความทุกข์ก็ไม่มีแต่คนหนุ่มคนสาวส่วนมาก จับต้นเหตุผิดจึงแก้ไม่ถูกทางเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันต้องพยายามสาวหาต้นเหตุให้ถูกต้องและกำจัดต้นเหตุให้สิ้นไปความทุกข์ก็ดับลง จิตให้เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาตของมายาธรรมมายาธรรมคือเรื่องที่เป็นมายาไม่ใช่สัจจะที่แท้จริงเช่นลาบยศสันเสริญสุขอันเจือด้วยอามิตรหรือเครื่องล่อสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกโลกสมมุติขึ้นไม่จริงจังเหมือนละครเหมือนความฝันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ เสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนิมทาและทุก์ก็ทํานองเดียวกันลาบคือสิ่งที่ได้มานั้นบุคคลรู้สึกว่าเป็นลาบเพราะใจต้องการถ้าใจไม่ต้องการเมื่อได้มาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นลาบกลับรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นทุกข์แม้เป็นสิ่งที่ต้องการอยากได้ เมื่อได้มาแล้วก็ยังมีทุกติดตามแอบแฝงซ่อนเร้นมากับลาบนั้นอีกบางคนต้องเสียชีวิตลงเพราะมีลาบและป้องกัน ร, รักษาลาบเมื่อลาบเสื่อมไปตามธรรมดาของสังขารที่ต้องเสื่อมก็เป็นทุกข์อีกเพราะต้องการเหนี่ยวร้างเอาไว้ยศคือความเป็นใหญ่หรือการได้รับความเคารพนับถือ เรื่อความมีบริวารมากอิสริยยศเกียรติยศบริวารยศตามลําดับก็มีความหมายสําหรับผู้กระหายใคร่ได้ใคร่มีแต่มันกลับเป็นของน่ากลัวเหมือนถูกผีหลอกสําหรับคนที่ไม่ต้องการมันและเป็นการแน่นอนว่าเป็นการพ่วงเอาความทุกความกังวลติดมาด้วยทุกอย่างไม่ว่าจะยศอย่างใด ยิ่งกว่านั้นคนที่ยึดมั่นและติดในยศพอไม่ได้ยศตามที่คาดหมายไว้ก็เป็นทุกข์เตือดร้อนคิดเคียดแค้นจิงชังคนที่ได้มีความริษยาพยาบาทตามมาเผาใจตัวเองอยู่ทุกคืนทุกวันยศเป็นสิ่งที่เขาสมมุติให้ดูเลื่อนลอยเต็มทีไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันเอง แต่มันก็มีบทบาทอิท ธ, ธิพลครอบงำเบียดเบียนจิตใจของคนเกือบทั้งโลกสรรเสริญในฐานะเป็นมายาธรรมเพราะเราไปทำถูกใจเขาหรือเขาชอบพอเราเขาก็สรรเสริญครั้นเขาไม่ชอบพอเขาก็นินทาโจรย่อมสรรเสริญโจรด้วยกันโจรที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญที่สุด ก็คือหัวหน้าโจรหรือมหาโจรปล้นเก่งที่สุดมีเล่เหลี่ยมกลโกงมากที่สุดวันนี้เขาสรรเสริญเราพรุ่งนี้เขาอาจติเตียนเราวันนี้เขาติเตียนเราพรุ่งนี้เขาอาจสรรเสริญเราในวันเดียวกันเวลาเดียวกันเขาอาจสรรเสริญบางอย่างและติเตียนเราบางอย่างช่างไม่แน่นอน หน้าเบื่อเสืเอเกินอันหนึ่งควรทำใจให้ได้ว่าเราจะดีเพราะเขาสรรเสริญก็หาไม่เราจะชั่วเพราะเขาติก็หาไม่แต่ความจริงเราดีเพราะทำดีและเราชั่วเพราะทำชั่วต่างหากคำสรรเสริญและติเตียนนั้นบางคราวก็สอดคล้องกับความจริง บางคราวก็ขัดกับความเป็นจริงอย่างมากพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนพระภิกษุที่ตามเสด็จว่าใครสรรเสริญก็อย่าดีใจรับไว้เพราะถ้าดีใจรับไว้เสียแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาสรรเสริญถูกหรือผิดใครเขาติเตียนก็อย่าโทมนัสโกรธเคืองถ้ากโกรธเคืองเสียแล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าเขาติเตียนถูกหรือผิดเป็นต้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงและชี้แจงตามความเป็นจริงนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพรมชาลสูตรที่คณิกายสีละขันธวัชการได้รับสรรเสริญมากอาจทำให้คนผู้มีสติน้อยหลงตนเองและเสียคนไปก็ได้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยาณวรโรรสจึงตรัสไว้ว่าสรรเสริญเหมือนเล่าหวานชวนให้เมาส่วนนินทาเป็นเหมือนของขมไม่มีใครต้องการแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอาจมีประโยชน์บ้าง ความสุขมีสองอย่างคือสุขที่เจืออามิ t h ท่านเรียกสามิสสุขอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือสุขไม่เจืออามิ t h ราชจากอามิ t h เรียกนิรามิสสุขอามิ t h ที่ว่านั้นคือเครื่องลอ่อเครื่องติดได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะทางกายอันหน้าใครหน้าปราถนาน่าพอใจ สุขที่เจืออามิตรนี่แหละที่เป็นมายาธรรมเพราะเจือด้วยทุกขคลุกด้วยทุกเหมือนปลาที่เจือด้วยก้างผู้กินไม่ระวงังย่อมได้ทุกเพราะก้างปลาติดคออันหนึ่งสุขที่มีอามิตรนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ง่ายและมีทุกแฝงมาด้วยอยู่แล้วสุขของคนหนึ่งอาจเป็นทุกของอีกคนหนึ่ง ในขณะที่คนหนึ่งสแสวงหาความสุขดูอีกคนหนึ่งเป็นเครื่องรองรับความสุขคนผู้เป็นเครื่องรองรับความสุขอาจมีทุกข์เป็นอันมากผู้สแสวงหาความสุขเช่นนั้นก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมเพราะสแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นขาดความเมตตาปราณีขาดความเห็นอกเห็นใจอันหนึ่งผู้ใคร่ความสุข ทยานอยากในความสุขชนิดที่มีอามิตรนั้นต้องเที่ยวดิ้นรนสแสวงหาจากภายนอกย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะสมปรารถนาทุกครั้งไปย่อมมีอุปสรรคเหตุขัดข้องความขัดแยง้งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความสุขภายนอกไม่อาจสนองความต้องการของเขาได้ทุกครั้งไปในปริมาณและความเข้มข้นที่เขาต้องการ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมกระหายต่อความสุขยิ่งขึ้นสแสวงหาต่อไปไม่พบจุดอิ่มจุดพอเที่ยววิ่งราสแวงหาเรื่อยไปและความสุขที่มีอามิตรนี้ก็มักต้องมีทุกลงทุนไปก่อนบางคราวก็ได้สมหวังพอถอนทุนคืนได้หรืออาจได้กำไรนิดหน่อย แต่บางคราวก็ไม่ได้ความสุขอย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้ถอนทุนไม่ขึ้นขาดทุนส่วนความสุขที่เกิดขึ้นในใจโดยคุณธรรมโดยความสงบอํำหน่วยให้เกิดขึ้นเป็นความสุขแท้เป็นกำไรของชีวิตไม่เจือด้วยทุกหรือไม่มีทุก์ตา ม, มาภายหลังรวมความว่าโลกธรรมแปด คือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกขเป็นมายาธรรมหลอกให้คนหลงติดอยู่สยบอยู่ผลที่ตามมาก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนการทำใจให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือความสำเร็จอันแท้จริงของชีวิต ตระหนักแน่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุบัจจัยขอให้สำนึกรู้ตระหนักแน่ใจตกลงใจได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยยถาปัจจะยังปวัตตันติเราเลือกเอาไม่ได้ตามใจชอบมีเหตุปัจจัยอย่างไรมันย่อมเป็นไปอย่างนั้นเมื่อมีเหตุปัใจจัยให้สุขความสุขก็เกิดขึ้น มีเหตุปัใจจัยให้ทุกขความทุกขก็เกิดขึ้นมีเหตุปัใจจัยให้เจริญก็เจริญสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสังคตาธรรมคือมีปัจจัยปรุงไม่เป็นอิสระด้วยตนเองต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและเงื่อนไขมากมายไม่เป็นไปตามความปรารถนาหรือความต้องการของผู้ใด ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาของบุคคลแล้วใครเล่าจะจนใครเล่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บใครเล่าจะไม่สวยและใครเล่าจะต้องทุกข์เพราะทุกคนปรารถนาความมั่งมีสุขภาพสมบูรณ์ความสวยงามและความสุขแต่เพราะเหตุที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เราจึงปรารถนาเอาไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยที่เป็นไปตามความปรารถนาได้บ้างเช่นเราปรารถนาจะลุกขึ้นเดินก็เดินไปได้นั้นก็เพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมอยู่พอขาดเหตุปัจจัยก็เดินไม่ได้เช่นคนป่วยบางคนปรารถนาจะลุกนั่งก็ยังไม่ไหวอย่าว่าแต่จะเดินเลย ความตรณหนักแน่ใจลงไปมีมณสิการอันแยบยนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วปล่อยวางความยึดมั่นเสียนับเป็นยาอันประเสริฐสำหรับบำบัดความทุกข์ร้อนใจและเป็นที่พักพิงอันประเสริฐของใจสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอากินจนังอนาดานังเอตังดีปังอนาปรังแปลว่า ความไม่กังวลความไม่ยึดมั่นนั่นแหละคือที่พึ่องอันประเสริฐของบุคคลหาใช่สิ่งอื่นไม่ส0ความเป็นผู้มีเหตุผล คุณธรรมข้อนี้ช่วยให้จิตใจสงบระงับได้มากเพราะปรงใจได้ว่าผลย่อมตามเหตุมาหรือเหตุก่อให้เกิดผลผลดีหรือผลร้ายที่เราได้รับนั้นย่อมเนื่องมาจากเหตุเหตุดีก่อให้เกิดผลดีเหตุชั่วก่อให้เกิดผลร้ายและเหตุนั้นนั้นเราเป็นผู้ทำเองอย่างน้อยที่สุด ส่วนใหญ่เราเป็นผู้ทําแม้คนอื่นสิ่งอื่นจะทําให้บ้างก็ไม่มากเท่าเราทําเองเมื่อได้รับผลดีคนทั้งหลายก็มักรีบรับทีเดียวว่าตนเป็นผู้ทําเหตุดีไว้เองแต่พอได้รับผลร้ายทําไมไม่ค่อยยอมรับกันมักปัดไปให้สิ่งอื่นๆคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตนเองเป็นผู้ทํา คนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงนอกจากนี้คนมีเหตุผลย่อมมองเหตุผลโดยรอบด้านไม่เพียงแต่เหตุผลแคบๆส่วนตัวแต่ย่อมมองเหตุผลของคนอื่นด้วย ยอมรับความจำเป็นของผู้อื่นที่เขาต้องทำตามความจำเป็นของเขาถ้าเราอยู่ในฐานะอย่างเขาเราอาจจะทำอย่างเขาก็ได้แต่ละคนมีความจำเป็นในชีวิตไม่เหมือนกันและคนทั้งหลายก็มักจะยอมแพ้แก่ความจำเป็นความจำเป็นมันบีบให้จำต้องทำอย่างนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกไปพลางก่อน แต่ผู้มีเหตุผลก็ย่อมไม่อ้างเอาความจำเป็นมาทำสิ่งที่ไร้เหตุผลหรือมีเหตุผลไม่สมควรไม่เพียงพอถ้าจะอ้างความจาเป็นแล้วทาชั่วใครๆก็อ้างได้ทุกครั้งไปและทุกเรื่องไปความเป็นผู้มีเหตุผลเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเราจะเห็นได้จากตัวอย่างมากมาย ที่คนทุกคนต้องการเหตุผลแสวงหาเหตุผลเมื่อมีเรื่องหน้าพิศวงหรือลึกลับซับซ้อนคนยิ่งต้องการรู้เหตุผลมากขึ้นแต่เหตุผลไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะเหตุผลเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนการเห็นเหตุแล้วคเนถึงผลก็ดีการเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุก็ดีเป็นเรื่องผิดพลาดได้เสมอ น้อยครั้งเลอะเกินที่เราจะคาดการได้แม่นยำเพราะระหว่างที่ผลจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุนั้นมีตัวแปรมากมายแทรกแซงเข้ามาทำให้ผลที่มุ่งหวังเปลี่ยนไปถ้าไม่มีตัวแปร ى, ผลอาจจะตรงตามเหตุตัวอย่างเช่นเราเห็นนักเรียนคนหนึ่งสติปัญญาดีความประพฤตเรียบร้อย ทำข้อสอบในระหว่างเทอมได้ดีเสมอสุขภาพอนามัยก็ดีนี่คือเหตุอาศัยเหตุนี้เราคาดหมายผลได้ว่าเด็กคนนี้จะต้องสอบได้คะแนนดีในปลายเทอมแต่พอสอบเข้าจริงปรากฏว่าเด็กคนนี้สอบได้คะแนนน้อยเกินไปจนเกือบตกที่เป็นดังนี้สืบได้ว่า ก่อนสอบจริงและเวลากำลังสอบเด็กคนนี้ไม่สบายทั้งทางกายและทางใจมีเรื่องวิตกกังวลมากเกี่ยวกับสภาพในครอบครัวนี่คือตัวแปรอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลที่เราคาดไว้เปลี่ยนแปลงยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากขอยกมาเพียงตัวอย่างเดียว การฝึกฝนตนให้เป็นคนมีเหตุผลนั้นมีหลักสำคัญอยู่หลายประการเช่นหนหัดวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่ได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้เหตุผลของเรื่องนั้นๆอาจเป็นการหัดคิดเล่นๆก็ได้ 2. ทํทำใจให้ตรงคือเว้นอคติสี่เสียไม่ลําเอียงเพราะรัก ชังหลงหรือกลัว 3. ควรสนใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคือศึกษาเหตุผลจากเหตุการณ์ให้มากทั้งที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น การเล็งเห็นคุณและโทษของสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยธรรมดาสิ่งต่างๆในโลกที่เป็นสังขตะธรรมคือมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหรือที่เป็นโลกรธรรมกล่าวคือลาบยศสันเสริญสุขอันเกิดด้วยอามิ t h คือเครื่องล่อหรือหลุงพรางย่อมมีทั้งคุณและโทษเจืออยู่ เหมือนปลาที่มีก้างผู้บริโภคควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ปลอดภัยจากก้างการเล็งเห็นคุณและโทษของสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจะช่วยให้เราไม่ติดใจหลงไหลในสิ่งต่างๆอันจะมาเป็นเรื่องทำลายความสงบสุขของใจเพราะอารมณ์เหล่านั้นจะมาทำให้ใจสั่นสะเทือนอยู่เสมอ เหมือนน้ำที่ถูกรบกวนด้วยลมหรือวัตถุที่บุคคลโยนลงไปขอยกตัวอย่างเพื่อความชัดเจนในเรื่องคุณและโทษของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นคนที่เรารักจริงอยู่เขาให้ความสุขความชุ่มชื่นแก่เราเมื่ออยู่ใกล้ได้สนทนาด้วยมัทุรสวาจา แต่เป็นทุกข์เมื่อต้องจากหรือวิกตกหมกมุ่นถึงเขาระหว่าดระแวงว่าเขาจะไม่รักหรือมีคนอื่นมาแบ่งความรักไปเมื่อเขาจาเป็นต้องเดินทางไปที่อื่นจิตใจของเราก็คอยห่วงใยเหมือนใจจะติดตามไปด้วยนี่คือส่วนที่เป็นโทษในเรื่องยศศัก์สมบัติและบริวารก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีทั้งคุณและโทษเจือปนอยู่เมื่อเราได้รับส่วนที่เป็นคุณเราก็ชื่นชมยินดีแต่พอได้รับส่วนที่เป็นโทษก็เศร้าโศกเสียใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวโลกเป็นกันอยู่แต่สำหรับท่านที่ได้ฝึกฝนจิตดีแล้วพิจารณาทั้งด้านคุณและด้านโทษของสิ่งต่างๆอยู่เนืองเนือง เมื่อได้รับส่วนที่เป็นคุณของสิ่งนั้นก็รู้เท่าทันไม่เพลิดเพลินมัวเมาจนประมาทเมื่อได้รับส่วนที่เป็นโทษก็อดทนสงบใจอยู่ได้ลงใจได้ว่าบัดนี้ส่วนที่เป็นโทษได้ปรากฏขึ้นแล้วพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงมีสติปัญญารู้เท่าทัน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถรักษาความสงบใจไว้ได้ 12. พยายามมองบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีตามสมควร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เราน่าจะมีส่วนดีอยู่บ้างถ้าเรารู้จักมองและเฟ้นหาแง่ดีของบุคคลนั้นหรือเหตุการณ์นั้นบุคคลบางคนแม้จะมีส่วนร้ายอยู่เป็นอันมากแต่ก็น่าจะมีส่วนดีอยู่บ้างถ้าเรารู้จักเลือกเอาส่วนดีของเขามาใช้เป็นประโยชน์ ต้นไม้โดยทั่วไปจะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันใครรู้ประโยชน์ของมันในส่วนใดก็นำส่วนนั้นมาทำประโยชน์ได้บางต้นก็มีประโยชน์ทุกส่วนทั้งรากลำต้นเปลือกกระพี้แกนดอกใบและผลส่วนไหนจะเป็นประโยชน์ในด้านใดก็สุดแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจของเรา บุคคบางคนแม้จะเป็นคนชั่วแต่ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นความจริงว่าทำอย่างนี้เป็นความชั่วถ้าเราไม่อยากชั่วก็อย่าทำอย่างนี้เขาเป็นภาพทางที่ไม่ดีให้เราดูอย่างชัดเจนนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับถ้าเรารู้จักมองเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแก่เราในขั้นต้นเราอาจเห็นเป็นเรื่องเลวร้าย เป็นเรื่องโชคร้ายเลือกเกินแต่พอเราใช้ปัญญาพิจารณาหาทางแก้ไขและสร้างกำลังใจให้มั่นคงบึกบึนพยายามทำอย่างดีที่สุดเหตุการณ์ที่ว่าร้ายนั้นอาจจะเป็นประโยชน์แก่เราเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเพื่อความสงบสุขแห่งจิตใจของเราจึงควรมองเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีไว้ก่อน หรือจะบริกรรมภาวนาไว้เสมอว่าดีเหมือนกันดีเหมือนกันถ้าเราทำในใจโดยแยบคายคือโยนิโสมานสิการไว้อย่างนี้เสมอเสมอแล้วความผิดหวังจะทำร้ายจิตใจของเราไม่ได้เราจะมองเห็นค่าอื่นที่ดีกว่าสูงกว่าค่าที่เราเคยให้ไว้กับเรื่องที่เราผิดหวังนั้น เราจะพ้นจากภาวะที่เรียกว่าขยี้หัวใจตัวเองการมองบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีตามสมควร น, นั้นจึงเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการทำจิตให้สงบไม่วุ่นวายจนเกินเหตุ 13. การทำจิตให้สงบโดยวิธีสมาธิหรือสมาถภาวนาข้อนี้หมายถึงการผูกจิตไว้กับอารมณ์สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมากในหมู่พุทธบริษัทในเมืองไทยก็คืออาณาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตจับอารมณ์ดีแล้วไม่ฟุ้งซ่านวอกแวกไปในเรื่องอื่น ความสงบสุขก็เกิดขึ้นจิตได้รับการพักผ่อนและสุขสำราญมีความเป็นตัวเองไม่เหลียวหาสิ่งอื่นมีความสุขสำราญอยู่ด้วยตนเองการที่จิตของคนฟุ้งซ่านท่องเที่ยวไปก็เพื่อสแสวงหาความสุขเมื่อได้รับความสุขด้วยอารมณ์ของสมาธิแล้วมีความพอใจอยู่ด้วยอารมณ์ของสมาธินั้น จิตก็มีความสุขสําราญร่างกายก็กระปรี้กระเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยขบทั้งนี้เพราะความสุขสําราญใจย่อมแผ่ซ่านไปทั่วเส้นประสาททุกส่วนของร่างกายเมื่อจิตได้รับความสงบอย่างนี้แล้วความสุขความเบิกบานใจก็เ อ, อืบอาบซาบซ่านอยู่เป็นเวลานาน ดำรงอยู่ได้ตลอดวันตลอดคืนก็ได้นอกจากอาณาปานาสติแล้วยังมีวิธีอื่นๆของสมาธิอีกมากเช่นการเพ่งวัตถุอื่นๆจนติดตาเช่นเพ่งดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าเพ่งกะสินก็เป็นวิธีการที่ทำให้จิตสงบได้ 14. การทำจิตให้สงบโดยวิธีวิปัสนาโปรดดูเรื่องกรรมฐานหรือภาวนาของผู้เขียนคนเดียวกันประกอบด้วยสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัยพิมพ์เมื่อพศส5 2 5วิปัสสนาก็มีหลายวิธีเหมือนกัน แต่หลักสำคัญคือการควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเช่นการยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับอิริยาบถนั้นการกินการดื่มด้วยสติสัมปชัญญะหรือสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้เมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอันหนึ่งวิปั ส, สนาหรือการยกจิตขึ้นสู่วิปั ส, สนานั้นคือการพิจารณาอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นอารมณ์ภายนอก objects และอารมณ์ภายใน emotions ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่หลงผิดด้วยอุปาทานเมื่อเห็นไตร ล, ลักษณ์แจ่มแจ้งวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องมือตัดกิเลสได้แม้จะทำวิปัสนาจุดมุ่งหมายพุ่งไปสู่ปัญญาก็จริงแต่ย่อมผ่านภาวะความสงบแห่งจิตไปด้วยสงบพอที่จะใช้ปัญญาได้ถนัด ถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่เหมือนน้ำกระเพื่อมอยู่แม้เราจะมีจักสุดีก็ไม่อาจมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้น้ําได้ต่อเมื่อน้ํานิ่งสงบผู้มีจักสุดีจึงจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้น้ําอย่างถนัดชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้จะเดินตามสายวิปัสสนาก็ต้องมีสมาธิอ่อนๆด้วย จึงจะสามารถใช้วิปัสสนาปัญญาให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ได้ร่วมความว่าอุปสมะคือความสงบนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบจากกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความยุ่งทั้งหลายถ้าคนในโลกของเราช่วยกันสงบกิเลสภายใน โลกของเราจะสงบเย็นยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้หลายร้อยหลายพันเท่าอิเลสที่มีอยู่ภายในของแต่ละคนนั่นเองได้แผลงฤทธิ์ออกมาทำลายซึ่งกันและกันให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่การช่วยการรักษาความสงบภายในตนเป็นการช่วยโลกช่วยสังคมให้สงบอย่างมั่นคงยั่งยืนและแน่นอน